ตอนนี้เราจะได้อธิบายธรรมะสื่อสั Car ่งสันธรรมะทรามสั่งสอนสองมือผู่วยเจ้าขอให้ภากันตั้งจิตกำหนดจิต้องตให้รู้ให้ใส่ใจเรื่องของจิตที่ไปนึกิตัดอารมณ์ ต่างๆและให้มีปัญญาที่นิจจะรณาเรื่องอารมณ์ที่เป็นกำลังเนดกำลังกรุงกำลังคิดอยู่นั้นว่าอารมณ์ส่วนนี้เป็นอารมณ์ที่จะทำเป็นท้องตนนวารับผลารับประโยชน์อย่างเราหรือหาจจะนำความชั่วเสียหายมาให้ หรือเชิดเตาปรุงไปแล้วไม่นำผลประโยชน์อะไรมาให้เมื่อเรากำหนดสร้างใจดูจุดของตนดิสแ ม, มันเสมอไปจิดปรุงขึ้นนึกขึ้นแต่เราถ้าหากเป็นไปในทางตัวทางเสียหายกว็แนะสอนตอนของคนดีอย่างนั้นได้ชื่อว่าการตั้งเชิด กำหนดจิตสร้างเคอภาวนาคือภาวนาดูจิตัองสนด้วยส่วนใหญ่พวกเราทั้งหลายมาปล่อยจิตโงตปตามถามชอบใจของตนไม่คำนึงคำนวณถึงเหตุผลว่าได้เสียอย่างไรวันเวลาผ่านไปถึงส่อยไม่ได้รับประโยชน์จากตาม็งอยู่ไม่รู้ว่าจิตคุณมัว เศรมองข้อเหตุอะไรวันนี้เปิดทุกวันปพดก็เชิงลวดก็เชิงหลงก็เชิงเป็นข้าเหตอะไรเร า, มาเมื่อํานึงคํานวณทีงจิตของตนที่ได้เป็วุ่นวายนีย่คุกเข้ากับกัญญาอารมณ์ถ้าหาเรากาหนดจิตของเราอยู่ส ม, ม, ม, ม่ำเสมอกำหนดอยู่รูออยู่ว่าจิตของเราโค้งไปอย่างนี้ท่าหน้าที่อย่างนี้ ไมเใ้าหน้าที่ของพุทธศา ส, าสนาช น, นิดในเพื่อไม่ใช่หน้าที่ของคนดีใจคิดใจนึกเราเมื่อรู้จักว่าอารมณ์ส่วนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของบันดินนักกะเราก็วะอกจิตกลั่ใ จ, ใจของเราไม่ให้ไปโง่ไปคิดไปนึกไปคิดไปตางในสัญญาอารมณ์เห น, นั้นมาน้นคิดติดตามเรื่องธรรมฐมาน เรมาเิกคิดตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าแนะนจะเป็นการสอนเรื่องมสมถะหรือวิปัสสนาต่อตามอารมณ์ัญญาที่พระพุทธเจ้าแนะสอนมีมากอย่างหลายประการนี้เ่ารเราจะจดจำเอาหมดทุกขอ้อทุกธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมาสอนมาแนะเราเรา จะต้องซื้อเอาแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันใดอันหนึ่งก็เพียงพอบริบูรณ์เพราะคำแม้คำสต่างสอนคำพระพุทธเจ้านั้นมากหนักหนาเหมือนกันกับว่าอาหารอยู่ที่ร้านตลาดเ้าไม่ต้องไปซือทุกสิ่งทุกอย่างมาจินซื้ออันหนึ่งอันเดียวซึ่งขาดขันของเราชอบกินแล้วได้ประโยชน์มาจิดโครคภัยเข้าเกี่ยวของเราเราเอาแต่อาหารอันนั้นแหละ มารับประทานมาอยู่มากิงก็ยิ่ม น, น้นำสัมรานทำให้ร่างกายของเรานี่หรื่อยงนี้แรงขึ้นฉั้นใดทำคำต่างสอนที่ว่าสมัชก็มีมากมายต่ายกองเราจะกำหนดพุทธานุสติคือระลบลนกถึงพระพุทธเจ้าตั้งแต่ข้างเซนโทที่ตัดก่อตามหรือครั้งที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วต่อตาม กำหนดดูคุณนัดทำที่พระ อ, องค์ตะทำบำเพ็ญมาตามตำรับตำราที่เราได้ศึกษาเราเรียนมารือครูบาอาจารย์รือท่านผู้รู้แนะนพระพุทธเจ้าเราจากมนุษย์ทำรรมดาเป็นโชิลักษณ์ก็เป็นเย่ยงย่างที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจาับถือเอาเขา้าติดสอนจิตสอ น, สอ น, สอนใจทองสนได้เพราะท่านประพฤต ดีปฏิบัติชอบสม่ำเสมอมาตอนปลายสรุปหรอกพระองค์ก็ยิ่งเด่นขึ้นไปในการประ ท, ำำทําบําเพ็ญคุณงามความดีทุกหน้าที่ทุกวิถีทางจิตใจของพระองค์ประเสรเล็ดลอยไม่ว่าจะเพือ่อเฉพาะคาคําสั่งสอนของพระองค์รูปของพระองค์ก็สวยฐานะของพระองค์ก็ดีปัญญาสติของพระองค์ข้อมูลทั้งหมด ยิ่งจนที่ละเล็กในจิตของมนุษย์ผู้ที่ต้องการความสุขความสงบของใจละเล็กไปไเท่าไรยิ่งเกิดอัตจันทรละเล็กไปเท่าไรยิ่งเห็นคุณงามความดีเด่นสำหรักพระองค์เลยตัวของเราละเล็กถึงผู้มี่มีสติปัญญามีปัญาความรู้ลุดพ้นไปจากที่เดือปั่นหาอาสะวะอย่างนั้นใจของเราท่านเกิดขึ้น เชือความเรื่องใสความยินดีความพอใจเขินอัศจท่านเป็นอย่างไรเราก็มันพยายามแงจิตสอนใจของตนให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ปล่อยจิตใจไปกลัวพันในสิ่งที่ท่านบอกว่าอย่าอย่าแล้วฝืนทำไปส่าถืนไปท่านบอกอย่างไรที่เป็นไปเชื่อแต่รับประโยชน์ นาความสุบมาให้ในปัจจุบันและอนาคตเราต้องกำหนดอารมณ์อ น, นั้นมาแนะสอนตร็ตนท่องสอนเมื่ออะไรว่าเล็กนึกถึงพุทธคุณพุทธานุสติยู่ดมังเสมอไปใจของเราได้รับความเยือกเย็นจนสุขหรือเราไม่ชอบเรื่องพุทธานุสติรายเล็กนึกถึงเรื่องธรรมานุสติคือพระคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านสอนเอาไว้เรื่องที่ผิดมันผิดอย่างไรเรามาด้วยใจนในจิตในใจของเราพระพุทธเจ้าพูดถูกหรือพูดผิดเป็นใส่รู้ใส่ใจในจิตของตนเองว่าคาแนะนำคำสอนของพระองค์ทุกแต่ทวงทุกคอยทำเป็จนสิ่งที่ดีเด่นยิ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากพวดถึงพระคุณของพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ใคจะเชืยบเท่ากับบีดามารดาซึ่งเป็นผู้มีคุณมากในโลกอันนี้บีดามารดาของพวกเราทั่วไปมักและสอนอยากจะให้บุตรทิดาที่ลูกหญิงลูกชายทา้งตงเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ภูลสุขไปเ ร, รื่ยโพคาซัพแต่จะทีนิ้ทิจะรนาถึงว่าเรื่องโพคาซัพเป็นของอาศัยชั่วการ ตัวสมัยตัวเวลาที่มีชีวิตอยู่เรื่องของคำคำสั่สอนของพระพุทธเจ้าเนอะสอนสูงขึ้นไปกว่านั้นประยชน์ปัจจุบันท่านก็เนื้อสอนประโยชน์ข้างหน้าท่านก็เนื้นสอนประโยชน์ย่างยื่งท่านก็เนื้อสอนจึงว่าถ้าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของถือมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งอื่นทั่วไปทั้งคนแล้ว คุณบิดามารดาก่อนหน้าสูงสุดซึ่เราเกิดเป็นมนุษย์จะมีคุณของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งในโลกเหนือคุณของบิดามารดาไปในได้บิดามารดามีคุณมากยิ่งกว่าคนทั่วไปในโลกแต่ถึงตอนนั้นถ้าหากมาพิจารณากันในควางธรรมของพระพุทธศาแล้ว ทมคำสต่างสอนของพระพุทธเจ้ายังมีคุณค่าราคาสูงขึ้นไปมีคุณมากกว่าดิดามารดาเพราะดิดามารดาแนะสอนแต่ประโยชน์ใปัจจุบันส่วนทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำการกระทำทุกขั้นทุกส่วนดิดามารดาคิดถูกไหมว่าถ้าหากลูกหลานของตนร่ำรวยมั่งมีสมบูรณ์้วยทรัพย์เป็นพอใจแต่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้ จที่แล้วทำลงไปได้มาหากว่าเป็นทางที่ผิดท่านแง่ท่านเอกเนะไม่สอนส<อ>่วนทางที่ถูกท่านแนะท่านสอนจะอดอยากยากจนก็ตามแต่ายาจะให้เมื่อเวลาตายไปสเสวยผลของความทั่วที่ตนทำตนพูดตนชี้ปัด ทำจริงเป็นของละเอียดละอ้อเข้าไปแนะตั้งแต่ประโยชน์ปัจจุบันจนถึงประโยชน์อย่างยิ่งแนะแต่เรื่องความสุขความเจริญให้เราผู่ที่นี่พิ่เจริญนะได้รับผลรับประโยชน์เหตุนั้นเราละเล็กเล็กถึงคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนอย่างนี้ถ้าท่านไหนมีความบริสุทธิ์ในตัวของท่านท่านจะมาแนะนําคำสอนทําไมเราเป็นลูก หลานของฉันหรือไม่ทันจิงเจินนาเนตาอุซาบัญญัติทำเอาไว้ใส่พวกเราทั้งหลายได้ทากันศึกษาได้ทากันกินตุจิเรนาห้าคนแคบอย่างพวกเราที่มีความรู้สันส้นๆก็จะเห็นแต่พวกเดียวกันหรือลูกหลานของตนโดยมากลูกหลานไปทำอะไรโดยส่วนใหญ่ดิดามานดากระเล็ก สนุกสนมเข้าสายลูกของตนทั่วไปตามที่ที่นี่ิจะราาไม่ได้เอาคำคําสั่งสอนของพผู้ชายเจ้าเขาวะเหตุนั้นเรื่องของลูกไปทำจุดเป็นขโมยเข้ามาเข้ามาโจดมาหาหลูลกของเจ้าไปรับไปขโมยของของฉันอย่างนั้นอย่างนี้บิดามานดามันไม่ไ ป, ไปมันอยู่บ้านอยู่ช่องมันไปนั่นไปนี่วันโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น ถ้าขี้มันไปหรือได้มาให้บิดามารดาก็ชอบอกติดใจไม่ค่อยห้ามค่อยบอกลูกหลานเรือเมื่อมีคนเขามาจากมากลุ้มก็ม่อยากแก้ตัวอย่างนั้นเหตุนั้นกรรมของลูกและพ่อแม่จึงติดกันเรื่อยๆไปเหตุที่ว่าพ่อแม่เข้าลูกเสมอไปไม่ได้เอาทำคำสั่งสอน ข, ของพระพุทธเจ้ า, าเขาว่าทำคำสั่งสอน ข, ของพระพุทธเจ้าเนีเป็นอย่างนั้น จะเป็นพ่อก็าตามเป็นแม่ก็าตามเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนกก็าตามใครในว่าทั้งนั้นถ้าทำผิดท่านต้องบอกว่าผิดทำไม่ดีท่านต้องบอกว่าไม่ดีทำดีจะเป็นคนต่างหน้าต่างตางต่างชาติต่างสกุลมาจากสถานที่ใดก็าตามท่านให้ถือเอาท่านท่านละเสด็จเย็นยอว่าดีทางนั้นไม่เหมือนกับพวกเราที่มีกิเลสหนาปัญญาหยักซึ่งเข้าส่วนของตนและคนอื่นไม่ค่อย อยากจะเข้ามันเป็นอย่างที่พวกเรามีี่เลีลสเหตุด้านคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดละเลึกลึกถึงที่ท่านบอกว่าทําอย่างนั้นผิดเมื่อทําไปจะได้เป็นโทษเป็นกรรมทาไปจะได้รับความทุกข์ความยากในการใดสมัยหนึ่งเราทีนี้ที่จะนาระดูทำที่ท่านแนีนยสอนว่าอยา่ยาอยา่าอย่าทําถ้าทำไปจะได้รับผลอย่างนั้นอย่างนั้น เราพิจารณากันจริงจังถูกต้องไม่มีผิดพลาแม่แต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลยท่านที่แนะสอนว่าให้ระเพรืออย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ดีเด่นจริงจงจัง จ, ง จ, งจงผู้ใดอุตส่าห์พยายามกระทำตามโว้ถึงแต่ทุกอย่างลำบากก็ยังมีผู้เมตตาสงสารยัง ม, มีผู้เลี้ยงดูยังมีผู้เคารพ บ, บูชาเพราะสัจจะคือความจริงที่ ท่นานตัดเอาไว้ถอนเอาไว้เป็นไปอย่างนั้นเพื่อนั่นตารระลึกนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติประจันจิตประจันใจนของตนเทวนาระลึกนึกถึงเรื่องของธรรมอยู่สม่มําเสมอไปหรือไม่อย่างนั้นจะ บ, บริษัมพุทโธธรมโมอยู่อย่างนั้นไม่ให้จิตใจไปปัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเมื่อจิตสงบถอนออกมาเมื่อใดจึงก่อที่นิพพนา เรื่องธรรมะหรือพุทธะ น, นั้นนั้นใจของเราท่านจะเกิดอัศจรรย์เห็แนแจง้งแทงตลอดเรื่องของความชั่วกว็จะได้ละได้ถอนเรื่องของความดีก็จะได้จิตปลื้มใจในการจะทําบําเพ็ญของตนนี่แหลกทางที่พระพุทธเจา้าแนะนจะละลึกอะไรละลึกได้ทางนั้นสางธานุสติจาทานุสติมรณ า, านุษษสติศีลานุสติอะไร ที่ท่านบัญญัติไว้มีมากมายหายกองหรือจะเพ่งอันใดอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าสายศีลก็ได้ท่านจริงบอกเอาไว้เรื่องของสมาธาิอุบายของการที่จะทําจิตทําใจให้สงกมีมากมายหายกองกรรมฐานที่ท่านแนะเอาไว้สอนเอาไว้ต า, ามตหรับตาราหรือจะนอกนั่นก็าตามหากว่าอุบายอันใดซึ่งจะทํากายทําใจของตนให้ใสงกระงับดับวิเลียดได้ ไม่ปรุงไม่คิดไปในทางชั่วละงับดับความชั่วได้หรืออย่างน้อยก็เบาบางใส่ความโลภความโกรธความหลงของเราแต่เจาก่อนเป็นอย่างไรเมื่อเราที่นิ้ทีจรณ า, าทำหมดนั้นหรือบริกรรมอย่างนั้นความโลภได้ลดหย่อนผ่อนพันไปอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรหรือเพิ่มเทวีคูณขึ้นให้มันที่นที่จรนา ผลของการกระทําบําเพ็ญของ ต, ตนงตบุคคลผู้ใดมันที่นิพพยานาหรือกาหนดจิตกาหนดใจในอารมณ์อันใดเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความแก้ไขเป็นไปเพื่อความเรื่องจิตใจออกจากทุกข์ทำบทนั้นถึงจะมีในตํำรับาําราหรือไม่มีในตํารับาําราได้ชื่อว่าเส้นทางที่ถูกกับจรินตนิสัยของตนให้มันฝึกมันฝนมันอบมันลมให้จิตใจของตนได้รับ ความสุขความสงบความปลอดโจร่งจากกิเลสกัณหานี่แหละเรื่องธรรมะถ้าหากถูกได้รับควรรับประโยชน์อย่างนี้การตั้งธรรมะถ้าฟังไปโดยไม่ได้เอาใจใส่จิตใจยอยากไขฟิสที่ไมพิจารณาอะไรปรุงไปแต่งไปสวนถอยสอนสวนคำซึ่งบางสิ่งบางอย่างเพราะความกดดันในจิตในใจเห น, น็บเบพิจารณาภายในท้องสนเข้าใจว่าตนเห็นถูกเข้าใจ ว่าจนมีวาทะดีพูดเก่งก็พูดกันไปไม่เคารพไม่ระวังสังวรในเมื่อเวลาฟังทาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นฟังเท่าไรก็ไม่ค่อยเข้าถึงจิตถึงใจฟังเท่าไรแทนที่จะกาจัดกิเลสตัณหา กรับเพิ่มเรื่องมานาที้ผิว่าตนมีความรู้ความฉลาดสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไปก็เลยเป็นเหยดให้เหื่อให้เสียไปความสงบท้องใจไม่มีความดีเรื่องวาทะเรื่องการพูดจาปาใสต่างต่างถ้าหากเป็นในทางชี้ผิดยิ่งมีอาวุธดีเท่าไรโจรมันก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นเหตุนั้นคนที่มีวาทะดีคนที่พูดเก่ง ในทางผิดมันจป็นโกงเจงไม่ขอตัวใครเป็นทางเสียหายไปอย่างนั้นถ้างหากเป็นไปในทางที่ถูกยิ่งรู้เท่าไรยิ่งเข้าใจเท่าไรจิตใจยิ่งอ่อนนะ้อมผอมตัวไปจิตใจเย่อสงบระงับดับความปรุงจิตต่างๆทางที่ศิษเห็นใจเขาใจเราเสมอกันไม่ก้าที่จะล่วงเกิน ในทางเสียหายต่างๆนี่ทางคการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นการฟังธรรมมาทำต่างสอนในเมื่อเวลาท่านเทศถ้าหาเทศไม่ผูกกับเรื่องที่เลสข อ, องตนฟังไม่ได้ผลได้ประโยชน์ให้เรากําหนดที่จะใดนาเอาทำที่เราเคยได้รับความสงบได้รับความสบายได้รับความสุขกําหนดอยู่นะั้นแหละท่านจะเทศอะไรซึ้งาทางซึ้งสมัยท่านบอก จุดก็อย่าท่านเองเรื่องของท่านไม่ต้องมาเกี่ยวข้องไม่ต้องมากังวลเพราะฟังไปทําใจเหตุพุ่งให้จำเลิกในทางส่วนเสียหายเราไม่ต้องไปติดตามทําคําพูดของท่านกาหนดแต่จิตของตนอยู่ในสิ่งที่เป็นผู้สนสิ่งที่ทําความเย็เย็นให้แก่ตนที่เคยเป็นมาก็ไม่เสียเวลาไม่เสียคุณค่า่าหากักไม่ทําอย่างนั้น ก็ตั้งใจฟังจริงจังท่านเทศอะไรคิดถูกอย่างไรให้กําหนดตามทำสืบถ่านสอนไปท่านพูดมีเหตุมีผลด้วอท่านพูดด้วยคามของท่านตั้งหักใครที่นี้วิจารณาอย่างนั้นหากจะกำหนดไปตามคําสั่งสอนสี่ถ่านสอนไปเมื่อไปอย่างนั้นก็กําหนดจิตใจอย่างที่อธิบายมาคือกําหนด จิต ก, ก, กำหนดใจของตนใส่บทธรรมที่ตนคงตนใส่ได้กระทำบ่มเพนมาได้รับความสุขความสบายภายในใจหากผู้ฟังตั้งใจกําหนดจดจําำคำคําสั่งสอนที่กานแสดงไปก็ดีกําหนดจิต ก, กาหนดใจของตนในเมื่อเวลาฟังไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับสิ่งอื่นอารมณ์อื่นก็ดีผลประโยชน์ ย, ย่อมเกิดมีขึ้นแก่ตนของตนเมื่อเราเกิด ความรู้ความสลาดหรือความค่องคิดใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วนำสิ่งที่ตนแก้ไขไม่ได้หรือเป็นสัญญาอารมณ์ภายในใจไปศึกษากับท่านการศึกษาอย่างนั้นได้รับผลรับประโยชน์ดีเพราะการเทศก็เหมือนกันกับใส่ยาหาโรคไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นโรคอะไร เอายาเข้าไปถามหาถ้าถูกยาอะไรก็จึงจะได้เล่นยาอนั้นลงใส่เื่อโกภายในตัวจะหหายไปไม่รู้จักสมุดฐานของโลกว่าเกิดจากอะไรแน่นอนการเทศการสอนย่อมเป็นไปอย่างนี้ส่วนที่เราไปศึกษาโดยเฉพาะตัวของเราเองภาวานาวันนั้นคืนนั้นหรือเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ถูกผิดอย่างไร ให้ไปศึกษากับครูกับอาจารย์ดูท่านจะมีความรู้ความฉลาดแน่สอนเราไหมทดสอบดูครูบาอาจารย์จะโง่จะฉลาดขนาดไหนเราต้องมีภายในของเราไปเป็นเสื่ยงวัดถ้าหาเราไม่มีภายในของเราใช้พูดจเจงใช้แทศจเจงบอกขอใจว่าดีว่าพิเศษแต่ความจริงกิเลสมันกดเ่งไปตามๆกันกับคําพูดตัวนี้คนที่อยู่นงวมสงัด ไม่อยากแง่อยากสอนใครแต่จิตใจของท่านเด่นดวงอยู่กวมีเหตุนี้เรื่องของตาเนื้อของเราจึงเข้าถึงเรื่องของจิตผู้ที่มีความสงบเยือกเย็นผู้จิตเป็นศีลเป็นธรรมเลด้เพราะตาเนื้อจะต้องเห็นวัตถุแต่ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในยิ่งเข้าไปตาเนื้อแม่สามารถจิตจะมองเห็นเพราะมีอะไรจิตบังไว้ แต่ผู้นี่ตาในจะต้องสันนิษฐานเหมือนกันกับเรื่องผลไม้สําหรับผลไม้บางอย่างส <c oughs> ่อแสดงออกมาภายนอกมันสุกเรารู้จากว่ามันสุกด้วยหู้วยตาของเราทีเดียวเพราะความสุก ข, ของมันส่อแสดงมาแต่ผลไม้บางอย่างเมื่อเวลามันสุกมันไม่แสดงออกมาภายนอกกลินก็ไม่แสดงออกมาสีก็ไม่แสดงออกมาแต่ภายในยมันสุก อย่างนั้นมันก็มีมันผิดกันเหตุนั้นเ ร, เ, รเรื่องของพระเรื่องของจิตของใจเรื่องของผูกกับพฤติปฏิบัติการที่แสดงออกมาภายนอกก็มีเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่อยู่ภายในขพ้นขันมีอะไรบ้างเราต้องไปศึกษาไปหาความรู้เหษที่เราจะศึกษาเข้าขท่าเข้าที่ที่สันจะมีเนีตาแนศสอนก็เนื่องด้วยเราได้ที่นี้ที่จะไนาะ คำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจของเราถัดข้องจิตใจของเราเป็นไปตามในสิ่ฝึกสิอบรมมาเมื่อไม่ได้ยืมจากจำหลับจำราเมื่อไม่ได้หามาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากต่างแต่ทำบำําเพ็ญของตนคนใดสิ่งสอนถูกต้องตามเรื่องของเราที่ถัดขอ้องหรือเป็นมาเราจะเชื่อจะเลื่อมใสในท่านผู้นั้นเพราะถ้าหาท่าน ไม่เพ่นไม่ไปท่านก็พูดจะให้เราเข้าจิตเข้าใจในเรื่องของการภาวนาการบําเพ็ญทางจิตทางใจในดักรูดก่ต้องอ้อมไปทางอื่นลบไปทางอื่นจึงขึ้นเป็นที่หนึ่งศกับอารมณ์ของเราจบกับความเป็นไปของเราถ้าหากท่านผู้ที่เข้าใ จ, จใคยฝึกอบรมตัวของท่านมาท่านจะเป็นรูปใดอย่างไรก่อตามถ้าหากเรามีภายใน คือการอบรมจิตอบรมใจแต่รับความเยอือกเย็นเป็นสุขอย่างนั้นไปพูดกับท่านและปัญหาสำคัญเป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราเราเข้าใจด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วไปถามท่าน อ, อ้อมๆไปโดยไม่เจาะจงบง่งเรื่องที่ตนจะพูดจรงิงจังท่านจะลากเราไปจะสอนเราไปออกหน้าเราเดิน เพราะท่านรู้ท่นานเข้าใจพอแย้มออกมาหนิดหน่อยเท่านั้นก็รู้กันเรื่องของภายในเพราะเรื่องของจิตใจถ้าหากคนประเพื่อปฏิบัติเป็นอย่างนั้นถ้าหากไปยืมจากท่านมาพอเพูดไปอย่างนี้ตะคุกไปทางน้นตะคุกไปทางนี้อยากจะให้เราเชื่อเราเลื่อมใสเรายินดีว่าตัวมีสติปัญญาเคยประพฤ่อปฏิบัติมาแต่มันไม่ถูกเท่งนั้นตะคุกเงาไม่ใช่ตัวของการต่บเพื่อปฏิบัติเราก็รู้ได้ เนื่องโดยเรามีภายในถ้าหากเราไม่มีภายในมันก็อย่างว่าลำบากลําคานไปสถานที่ใดก็ลําบากจะไปศึกษาหรือก็สติปัญญาหรือวิชาทํารู้ความเป็นไปภายในไม่มีกลัวท่านจะหลุจะด่าจะว่าจะกล่าวมันเป็นไปต่างๆนานาอย่างนั้นเหตุนั้นการฟังคำคําสั่งสอนของพระพุทธเธจ้าที่จะได้ประโยชน์จริงจัง คือเวลาเรานั่งฟังก็ไม่มีจิตเปลี่น ก, การใดจะต่องไปนึกคิดจะต่องไปทำจะต้องไปพูดตายของเราก็นิ่งเฉยวาจาของเราก็ไม่พูดอะไรอยู่สงบใจของเราก็พยายามเน้สอนให้มันสงบให้มันนิ่งอย่าให้มันปรุงมันแตลงหรือจะติดตามผู้สแส่แดงว่ามันเป็นอย่างไร ที่ท่านแสดงไปก็ได้อีกเหมือนกันแต่อยา่าไปจับเรื่องความเสียหายความผิดของท่านทิดมอบให้ท่านเราอยากจะเอามาเป็นของของเราให้เราถือเอาส่วนที่ถูกประโยคที่ถูกกับโรคกับภยัยกับจิตกับใจของตนถ้าหากถื อ, อได้อย่างนั้นจิตใจของเราฟังเวลานั้นชาานั้นกานนั้นได้รับปัญญาอย่างนี้ฟังต่อไปได้ สติปัญญาเพิ่มเติมเข้าไปเป็นขั้นขันเป็นข่าวขาวเข้าไปนี่แหละเรื่องการฟังเทศในสมัยพุทธกาลขั้นจริงว่าเดชสมฤติสุดาสกิทาชานาชาละฮันาาในที่เฉพาะชาพักของพระ อ, องค์แต่สมัยปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นฟังพอเป็นพิธที่ทาหารเจ้าเทศกำหนดเวลาให้เอา้าเพื่อธนาชาติสนนิชาจีแต่การดูหนังฟังเพลงต่างๆไม่กำหนดหมดคืนหมดวันก็ได้ ทาการหรือพูดคุยกันเรื่องอื่นกําหนดไม่กําหนดเวลาพูดจาไปเท่าไรก็ยินดีฟังยินดีพูดแต่พูดธรรมะมันเป็นอะไรจึงแถลงกับจิตจับใจของเราบอกธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นของดีลิสเรตคนที่มีกิเลสย่อมแถลงถ้าหากคนไม่มีกิเลสฟังเท่าไหร่ยินดีพอใจเติมใจเรื่อยๆไปไม่เหมือนการฟังเรื่องอื่น เกิดนั้นเรามีทีเ่เลสมากอย่างนี้เราจะปดจะขีดจะชาระสาสางล้างที่เลสของเราด้วยวิธีใดก็เป็นเรื่องของเราที่จะเข้าใจยิ่งกว่าคนอื่นทั้งหมดเหตุนั้นการทังธรรมะจึงกำหนดให้รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจตรุงแต่งของตนหรือติดตามถ้อยคาทีาท่ท่านแนะนําสอนไปเพื่อจะไม่ให้ใ จ, ใจิตใจออกไปสู่อารมณ์เรื่องอืนอ่น ถาบุคคลผู้ใดตั้งใจกำหนดอย่างนั้นหรือติดตามทำคำสั่งสอนอย่างนั้นจิตใจก็ไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะปรุงออกไปทางหน้าหรือส่งศับขตรนมาข้างหลังอยู่ปัจจุบันมันปรุงอะไรก็เข้าใจอย่างนั้นเพราะะติกำหนดอยู่แล้วเรื่องติดตามความรู้ความตลาดด้วยความเห็นความเป็นของ ผูแสดงเราก็ติตตามนะว่าท่านแสดงนี้มีความเฉียดสีเราอย่างไรมีความยกยอเราอย่างไรเราประพฤติได้ตามเรื่องของท่านแสดงหรือไม่เราต้องกาหนดไปตามทคำแนะนําลําสอนของท่านเทียบทำที่ท่านแสดงไปใส่ใจของเราเทียบทำที่ท่านแสดงไปมาตรวจ ด, ดูใจของเราถ้าหากเราตรวจ ด, ดูก็รู้ก็เข้าใจ เรื่องความศิกในตัวของเรารู้ข้าใจเรื่องความถูกที่เรากระทำบำเพ็ญมาเมื่อรู้ในทางที่อจกตเราก็มีเวลาที่จ ะ, ำะํำระที่จะตัดสางที่จะล้างเรื่องความศิกออกจากตัวไปได้รู้เรื่องของความถูกเราก็จะบำรุงความถูกในใจิตในใจของเราให้เ่ามีคุณขึ้นไปนี่เด้ชือว่าเป็นทางที่พระพุทธเจ้าแนะสอนแนะนำสอนอย่างนี้ ถ้รู้ตัวของตัวไม่ต้องไปรู้อันอื่นถ้ารู้อันอื่นรู้เป็นหมือนเป็นแสนก็ไม่มาขัดเราที่เหลวเพราะเราให้เบาบางไปไ ด, ด้ถ้ารู้ตัวของเราคิดมันเกิดขึ้นจากที่ไหนถูกมันเกิดขึ้นจากที่ไหนอะไรเป็นของที่ถ้าแลงแกจิตแใจของเราไม่ให้เราได้รับความสงบเยอกเห็นหรืออะไรทำลงไปบาเพ็ญลงไปได้รับความสงบสุขเมื่อเรารู้อย่างนั้น เราก็จะมีถนนท่อนทางเข้าไปสู่ความสงบสบายไนะด้หลีกเลี่ยงเรื่องของความเจาชาเสียหายให้ห่างไปเหิดนั้นการฟังคำคาสั่งสอนของผู้ได้เจ้าจึงเป็นของจำเป็นที่ทุกท่านทุกคนจะต้องสนับรับฟังเพื่อเอาคาเข้าไปวัดจิตใจของตนว่าเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรก่อนที่เราไม่เคยเข้าวัดเขาวัง เนี่ยเคยจำศีลภาวนาอยู่บ้านอยู่ส่องของเราเราคิดเราปรุงไปอย่างนั้นอย่างแล้วได้สาระประโยชน์จากการปรุงการแต่งอย่างไรจิตใจของเราเบาบางจากที่ยวปัญหาหรือไม่เมื่อเขาวัดเขาวาได้เจริญภาวนารักษาศีลใส้ทาน